พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรัสนิยสนทนาก็ได้เวลามาพบกับท่านทั้งหลายทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็ม้ค่ะดิฉันสัสนิยนา้าภูมําเนินรายการนะคะมีพระภัยบุญอ ภ, ภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโุดรนธานีมาพบกับท่านกันอย่างสม่ําเสมอเป็นเวลาช้านานแล้วค่ะแล้วก็ในการพบกันทุกครั้งนั้นเริ่มต้นวันใหม่ของท่านจะได้อาวุธที่สําคัญในการที่จะใช้ ไปจัดการกับความเป็นมาเป็นไปของตัวเราเองเป็นปฐมก่อนแล้วเราก็จะได้สามารถที่จะทั้งดูแลตัวเองได้แล้วก็ทาให้สภาพแวดล้อมรอบข้างของเราได้รับการดูแลจาัด ก, การที่เรามีทำอย่างถูกต้องด้วยนะคะด้วยคำสอนของภาษาสดาที่ท่านเพรือได้นำเอามาเป็นหลัก ในการที่จะตอบคำถามให้กับเราเราไปพบกับท่านเดี๋ยวนี้เลยนะคะกราดนรส ก, การค่ะท่านคะเจนพานค่ะเมื่อวานนี้ได้อาวุธสำคัญเลยเป็นเหมือนยาครอบจั ก, กรวาลที่จะให้เราแก้ความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยถ้าจะพูดแบบภาษาภาษา พ, พระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรครับแปลว่าอะไรคะ ภาษาบาลีใช่ไหมภาษาบาลีเขาพูดถึงเขาว่าวิาวปติสารคือความร้อนใจความไม่สบายใจเป็นผลมาจากอะไรแต่เป็นผลจากการที่เราไม่สามารถจ ะ, จะรักษาศีลได้นะถ้าความปกติทางกายทางวาจาของเรามันไม่ปกตินะเช่นขโมยของหรือว่าฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่จะเป็นผลตามมาคือความร้อนใจควรจะต้องร้อนใจควรจะต้องเป็นอย่างนั้นวิปติสารใช่วิปติสาร เป็นคําที่จะต้องท่องเอาไว้เลยนะคะวิปัิสานใช่ใช่พระพุทธองค์จัดเรียกความร้อน อ, อกร้อนใจของเราทั้งหลายวก็คือวิปัิสาราแล้วก็ดิฉันได้ฟังแล้วเจ็บปวดมากเลยนะคะคือมีความรู้สึกว่าเหตุท่านได้พูดถึงผลจากการไม่รักษาศีลได้จึงร้อนใจถูกต้องคื อ, ค, อคือนี่คือความหมายของไอ้คานี้น ะ, ะแต่นี้เราจะต้องชี้ความแตกตๆอย่างเช่นว่า บางทีเราเไปเก็บเงินแล้วไม่ได้เงินเราก็ไม่สบายใจไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจกับความร้อนใจมันไม่มันไม่เหมือนกันมันต่างกันสมมุติคนทําสิ่งที่เราไม่พอใจเช่นข้างบ้านทําเสียงดังฉันโกรธมันไอ้ความโกรธความไม่พอใจตรงเนี้ยไม่ใช่ความร้อนใจนะคนละอันกันนะครับ <Okay. S 1> มันมันคนละเรื่องกัน <Okay. S 1> ความร้อนใจเนี่ยเกิดจากการที่คุณทําให้ดีคุณควรที่จะต้องร้อนใจ นะความไม่ดีเช่นคุณด่าเข้าว่าเขาคุณพูดคำหยาบพูดส่อเสียดอย่างนี้เป็นต้นคุณควรจะต้องร้อนใจแต่บางคนกลับไม่ร้อนใจด้วยซ้ำกลับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีฉันด่ามันสะใจ <c oughs> อันนั้น <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นะไม่ใช่ <c oughs> น ะ, ะ <c oughs> ต้องต้องแยกกันให้ถูกไอ้ตรงนั้นเนี่ยอะไรอย่างสมมติเราด่าเขาสะใจพอใจนั่นคือลักษณะของโมหะลักษณะของโลภะนะหรือบางทีเขาด่าเราทําเสียงดังข้างบ้านเราไม่พอใจ อันนั้นไม่ใช่ความวิปฏิสารแต่เป็นโทสะมันคนละอันกันเป็นกิเลสแต่พวกนั้นเป็นกิเลสจําแนกให้ถูกตัวอย่างชัดมากเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเวลาเราไปด่าใครว่าใครไปทําร้ายใครซึ่งจิตของเราไม่อยากจะให้เขาเมีความสุขนะคะอยากจะใส่ความทุกข์ไปให้เขาเนี่ จริงๆแล้วมันเกิดที่เราใช่ไหมคะถูกต้องทุกอย่างนี้จิตเข้าไปรับรู้เกิดที่จิตหมดเลย อ, อที่เราสัใจเน่ยเป็นโทสะอืแต่ไม่ใช่วิปฏิสารไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วทำไมคนที่ทําชั่วทําบาปอย่างเช่นคนโกงกินอย่างเงี้ยนะฉันโกงชั้นแอบลักใต้โต๊ะอะไรต่างๆแต่กลับไม่รู้สึกถึงความร้อนใจนะกลับดีใจด้วยซ้ำนี่ฉันโกงเงินได้นั่นก็เพราะว่าไอ้โมหะเนี่ยมันปิดบังคุณอยู่ โมหะคือความเข้าใจผิดความหลงผิดโลภะก็ปิดบังกันอยู่ทําให้คุณเนี่ยไม่เห็นสภาพจริงๆว่าจิตในคุณร้อนใจอยู่ข้างในนะถูกปิดบังอยู่จิตถูกปิดบังอยู่มีความร้อนใจอยู่ข้างในใช่ค่ะซึ่งซึ่งไ อ, อ้ความที่ว่าเช่นโลภะหรือโทสะเนี่ยเป็นลักษณะการเผาการแผดเผาที่ทําให้เราผิวไอาการรับรู้ของจิตเนี่ยมันผิดพลาดไปรับรู้ว่าไอาสิ่งไม่ดีไม่ดีเนี่ย กลายเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งสะใจนะเป็นความสะใจกรณีเดียวกันกับเวลาที่ผิวหนังของเราเนี่ย เ, เวลาที่ไม่ได้ถูกยุงกัดจะไมสบายสบายเนี่ยเราไม่ต้องไปเกามันแต่พอถูกยุงกัดแล้วเรารู้สึกคันเพาราะคันเราจะเกาเกาเราก็จะรู้สึกสบายนิดนึงนะเพราะว่าผิวหนังปกติของเราเนี่ยมันมันถูกทําให้การรับรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลง ไ, ไปด้วยสารเคมีที่ยุงมันหลั่งออกมาเช่นเดียวกันถ้าจิตเนี่ยเรามีราคะโทสะโมหะทําให้การรับรู้ของจิตมันเปลี่ยนแปลงไป ไม่รับรู้ถึงความร้อนใจที่เกิดขึ้นนะแต่ไปรับรู้ถึงความแบบดีใจเราคิดว่าเราโกงเขาได้เราฉลาดกว่าเขานะซึ่งนี้เป็นการราับรู้ที่ผิดค่ะอันนี้เป็นการก้าวพัฒนาขึ้นมาอีกลำดับหนึ่งจากการที่เมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทำไมถึงร้อนใจแล้วก็จะดับได้อย่างไรในสี่สีว่วคของพุทธพจน์ถูกไหคะเยี่ยมมาก <Okay. S 2> อินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่จิต uh huh. นะคะคือตาหูจมูกลิน้นกายใจสัมผัสกับอะไรแล้วเกิดความรู้สึกคีดจิตใเวทานาทั้งหลายมีผัสสะเป็นแดนเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็จึงเกิดขึ้นจากการไปสัมผัส ด, ด้วยอินทรีย์เหล่านั้นถูกต uh ้อ huh. งจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติ uh huh. จึงควรจะรู้ว่า จิตของเราเนี่ยสำคัญสามารถจัดการได้ให้ไปมีเขาเรียกนะคะ<ม> ส, ตสติอ่คือถ้าจิตไม่มีสติเนี่ยมันจะวันไวไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้นนะคะและสติจะเป็นที่แน่นไปสู่วิมุตติอันนี้เป็นพุทธพจน์ทั้งหมดเลยใช่ซึ่งแปล ว, ว่าจิตที่มีสติจะทําให้เราหลุดพ้นจากความร้อนใจนั้นได้อ่าจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นาอารมณ์นั้น จะเป็นอารมณ์ที่ลุ่มหลงก็ตามเป็นอารมณ์ที่ร้านใจก็ตามเราจะหลุดได้หมดค่ะก็จึงได้พบว่าอ๋อสตินี่เองเป็นทางออกใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเราท่องอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปะปะแวบๆแล้วไปถึงสา ม, มาทิจเจตก็จะมาถึงสัมมาสติ<ช>อันนี้<อ>เป็นอันเดียวกันเลยไหมคะออถูกต้องถูกต้อ ง, องหรือสัมมาสติมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเ อ, อ่อเหมือนกันเหมือนกันคื อ, ค, อคือถ้าพระพุทธเจ้าพูดคําว่าสติเนี่ย ก็คออือมีความหมายถึงสมาสติเลยค่ะดังนั้นที่เราท่องมานักหนาว่ามากคือหนทางออกจากทุกนี่แหละสติเป็นหนทางออกจากทุกใช่ในลําดับที่7จ็ดรเปล่าคะเพราะยังคนเนี่ยอาจจะที่เคยสงสัยนะคะว่าสมมาทิฏฐิซึ่งคือสมาสมาธิเนี่ย<ม>ไปอยู่ในในในเรื่องเดียวกันกับสติ เ, เป็นคนละเรื่องค่ะเอาทีละขั้นตอน อย่างคำว่าสติเนี่ยทำไมเาจมาถึงเอามาพูดก่อนทาไมถึงเอาพุทธพจน์มานี้มาพูดก่อนเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าอยู่ใต้ต้นใสคือตอนนั้นพระเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆใช่ไหมก็ย้ายจากใต้ต้นโผมานั่งใต้ต้นใสเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะสอนสรพสัตต์ตั้งหลายจะสอนอะไรดีก็มีความระลึกหนึ่งขึ้นมาได้นะว่าเออสอนเรื่องสติ4สติประฐาน4ี่นี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์คิดได้อย่างนี้ ก็เลยจะสอนเรื่องสตินะในที่นั้นสมบริพรหมก็มาอนุโมทนาบอกโอ้ยนี่แหละนี่แหละถูกแล้วถูกแล้วนะพระเจ้าองค์ที่ผ่านภายมาก็จะพูดเรื่องนี้ก่อนในะที่ไปข้างหน้าก็จะพูดเรื่องนี้ก่อนบางที่เราอาจจะสงสัยว่าเออเรื่อสติมันไม่เหมือนกับสมาธิหรือสมาธิติอะไรพวกนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> มันเป็นอย่างนี้นะคุณยมติวอารยมรัมกมีองค์8เนี่ยคือเป็นหนทางทางเดียวนะไม่ใช่ทางแปดสายทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่าง องประกอบแปดญยางี้พระเจ้าก็ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธิคือมันเป็นข้อจํากัดของการพูดเนึกออกไหที่ว่ารเราไม่สามารถพูดคําว่าสมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธิออกมาพร้อมกันในทีเดียวได้ก็ต้องไม่รู้พูดคําพูดอะไรมันปนกันหมดนะก็ต้องไล่เป็นลําดับมาแต่าการไล่เป็นลําดับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสมมติตอนคุณปฏิบัติสัมมาสังกปะเดี๋ยวเอาสมมาทิฏฐิออกก่อนไม่ใช่ มันอยู่ด้วยกันก่อนมีสมาธิถี่แล้วก็มาด้วยสมาสังกปะสมาธิถี่ไม่ได้ออกนะสมาสังคปะสมาวาจาสมมากรรมตะเอาสมาสติด้วยแต่ไอ้สมาธิถี่ก็ไม่ได้ออกนะอยู่ตรงนั้นหมดอยู่ด้วยกันหมดถ้าจะเปรียบที่มีท่านปู่รูท่านหนึ่งเคยเปรียบที่เไว้แต่เหมือนถนนรัตตมเนินอย่างเงี้ยมี 3-4 เลนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคุณมีทั้งเลนนอกเลนในคุณเดินเลนนี้คุณก็ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันแต่เช่นเดียวกันเราทํามังคอันไหนมันก็ไปด้วยหมดมันอยู่ด้วยกัน มีคำพูดคำหนึ่งที่เรียกว่ามัคคัสมังคีนะคือต้อง <c oughs> ให้มัคทั้งหมดเนี่ยมาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ <c oughs> ถูกต้องนะชักฟังดูแลโอ้โหเป็นธรรมชชั้นสูงหรือเปล่าท่านฟังอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าทีฉันก็พยายามที่จะออทําความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วคิดว่าเพื่อให้ทั้งหลายเข้าใจด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับที่พระพุทธองค์ได้พูดเอาไว้ตอนที่เราเป็นเด็กนอะดท่องแค่สอย่างเองซึ่ง ตรัรู้แล้วมาสอนเรานะคะก็คืออริยมรรคคืออริยสัจสี่แล้วก็ในนั้นพอพูดถึงเหตุแห่งมินทุกแห่งทุกความดับทุกแล้วก็ผลทางแห่งความดับทุกบางทีทุกคนบอกว่าทุกนี่ไม่ต้องบอกก็ได้รู้อยู่แล้วนะคะอ่าส่วนทางออกเนี่ยสนใจมากกว่าเพราะทุกคนไม่อยากจะมีความทุกขและท่านมาทําให้เข้าใจว่า ไม่ได้แบ่งเป็นข้อๆทาทีละข้อมาพร้อมกันทั้งหมดใช่ใชถ้าหากว่าเราปฏิบัติอ่าอย่างใดอย่างหนึง่งคิดว่ากําลังทําอยู่เช่นดิฉันกําลังพยายามพูดตีพูดสัมมาวาจาใช่ไหมคะท่าน<ช>บอกมาครบเลยทั้งแปดมาครบเลย <c oughs> นะก็ะมีการพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้บอกว่าการที่เรามีความเห็นว่าเอ้ฉันต้องพูดสัมมาวาจานะหรือว่าการที่เรามีความเห็นว่าฉันต้องทํามาหากินอย่างสุจริตนะไอ้ความเห็นตรงเนี้ย คือสัมมาทิฏฐิละสัมมาทิฏฐิละอยู่ในใจของคุณแล้วนะอยู่ในใจของคุณละแล้วการที่คุณพยายามในการที่เอ้ยงั้นฉันจะต้องพูดดีนะฉันจะต้องทํามาหากินในการที่จะลงมือทําตรงนั้นเนี่ยนั่นคือสัมมาวายามาะละเป็นความเปลี่ยนที่ถูกต้องเพราะว่าคุณกําลังสร้างสิ่งที่เป็นกุศลแกําลังละสิ่งที่เป็นอกุศลมีเครื่องยๆๆ่อยวนเฮ้ยคุณโกง ส, คงสิคุณด่าสิเราก็ไม่ดา่าเราก็ไม่โกงใช่ไหมอันนี้แสดงว่าคุณพยายามที่จะเอาอากุศลออกซําทํากุศลไว้ในใจ นั่นคือสัมมาวายามาะอย่างที่2เกิดขึ้นแล้วค่ะนะอย่างที่3นะก็คือเวลาที่เราจะรักษาไอ้กุศลไว้ได้จากการอากุศลออกไว้ได้เนี่ยคุณต้องมีสติแน่นอนในระดับหนึ่งนะตรงนั้นก็คือสัมมาสติแล้วด้วยสอย่างนะแต่ถ้าวาจาคุณดีนะคุณรักษาสัมมาวาจาได้ก็สัมมาวาจาก็มาละสี่ละนะแล้วถ้าคุณทำํำการกระทําเลี้ยงดูอย่างดีทํางานอย่างขยันขันแข็งเนี่ยก็เป็นสัมมาอาชีวะด้วย สัมมารกรรมันตะด้วยหละ่ะนะ เ, เหลืออีก2คือสัมมาสังกรปรากับสัมมาสมาธินะสัมมาสังกรปร์คือถ้าตอนนั้นคุณมีความคิดชอบนะความคิดที่ไม่เป็นไปในทางการไม่เป็นไปในทางพยาบาทไม่เป็นไปในทางเบียดเบียนนั้นะตอนนั้นก็ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกรปร์ละแต่ถ้าคุณมีปีติสุเกิดขึ้นในใจนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิ ด, ด้วยนะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นี้ก็คือมาด้วยกันพร้อมหมดค่ะ แง่ แ, แบบนี้ที่บางคนบอกอดิฉันก็ดําเนินตามหนทางแห่งความดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าทุกวันสิเพราะว่าดุจตังต้งถูกตั้งใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละเพียงแต่พระพุทธองค์มาอธิบายให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอแล้วก็อันนี้เป็นพื้นพื้ น, นใช่จังเลยนะคะท่านแล้วก็คือประเด็นมันคือตรงนี้งไงคุณโยมติ ว, ว่าเราคิดว่าเราพอจะทําได้แต่ประเด็นคือบางทีมันเป๋ออกนอกทางมันเป๋ออกนอกทางเขาด่าปุ๊บเราจี๊ด จีนเนี่ยกูหลุดออกจากสมาสังกบานะ อ, ะอะตรงนี้ค <c oughs> ่ะทิ้งกำลังจะเอพูดต่อจากที่ท่านบอกว่าพบล้นว่าลุกจีดเลยนะคะว่าเอาและถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้จกักละทิ้งก็สนทนาทํำบ่อยนะคะเดือนฝันเรารู้จักแล้วล่ะว่าเอาทางออกจากทุกเป็นอย่างไรแต่เราก็รู้สึกอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่เจ๋งนะวันนี้เราหลุดนะเราไม่มีความสามารถในการที่จะ รงับในสิ่งที่มันทําให้เกิดความร้อนใจคือท่านบอกว่าเกิดจากผิดศีลใช่ไหมคะเ่พัน อ, อย่างนี้เป็นถือว่าดิฉันเนี่ยเข้าถึงในส่วนที่เป็นมาก์กไยมคะส่วนที่เราทําได้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องส่งออกไปหนะึ่คิดว่ า, ารายละเอียดตรงนี้อาจามาจะมาอธิบายในี่ยเหมือนพกนี้ได้ว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะอิฟเวลเลตการทํางานของเราเนี่ยเอ๊ะว่าเรา<ม>อยู่ได้มากอยู่ได้น้อยแล้วเราวควรจะส่งจิตไว้ที่ไหนแล้วควรจะเมินไปต่ออย่างไรเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ อ๋อน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่า่าเราก็จะได้รู้หนทางทําที่ถูกต้องหรือว่าบางทีเราก็มีความรู้สึกแม้เสียเสียเวลาที่รู้แล้วพอผ่านไปแล้วพลาดไปแล้วนะคะอ่าจี๊ดแล้วร้อนใจแล้วทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ร้อนได้อย่างไรอมเราแย่ขนาดไหนเราหลุดไปจากขนทางแล้วหรือยังแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อไป พรุ่งนี้มีตอนต่อไปนะคะเรามีความหวังจากพระอาจารย์เพริญภิพุญโนจ้าวัดปาร์ดอนไฮโซดอนธานีรูปนี้กราบน้อมสักการขอบพระคุณนะท่านเรีนบาลค่ะท่นะานฟังที่เครารพค่ะแล้วเราก็มาพบกันในตอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะดับความทุกข์ของเราได้อย่างไรจากผูทวจร na ของพระพุทธองค์ในรายการสัมมนา ส, สนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มร้อยหนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งอาจากพุทธพจน์เมื่อวานดิฉนัน ได้บอกไปแล้วว่าใช้ได้ตลอดชีวิตเลยอินทรีย์ see, ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่จิตคือจิตเราไปกระทบอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะจิตเราจะรู้สึกเป็นตัวรู้สึกเวทนาทั้งหลายมีผัสสะเป็นแดนเกิดเข้าใจง่ายนะคะคือความรู้สึกต่างๆของเรามีผัสสะเป็นแดนเกิดจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติและสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติมีสติแล้วดับ ความทุกข์ได้ความร้อนใจได้พบกันใหม่พรุ่งนี้ผู้ทวีตสวัสดีค่ะ